รายการธรรมะจัดสรรช่วงสนทนาธรรมใต้ร่มโพธิ์ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพช่วงเวลายันเย็นทุกวันจันถึงวันพุธตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาโดยประมาณถ้าท่านเป็นแฟนรายการธรรมะจัดสรรเราจะมาสนทนาธรรมกันที่ใต้ล่มโพที่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมโดยผู้ที่เป็นแขกที่มาให้เกียรติกับทางรายการนะคะก็มีทั้งปัญชิตและก็คารวะวันนี้ก็เช่นเดียวกัน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 ก็นอกจากดิฉันนวพรสุปิงคลัดแล้วก็ยังมีทีมงานที่มาร่วมสัมภาษณ์หลายท่านนะคะอบอุ่นมากเลยก็ขอเชิญแนะนําตัวเลยนะคะสวัสดีค่ะชนตาผู้ตัิทีมค่ะอืมมาสการ์อาจารย์ไพศาลค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะดิฉันป้าเล็กค่ะพัทลาดีประวัติค่ะค่ะนมัสการ์พระคุณเจ้าค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังนะคะวร์นาโรจนานาค่ะอ้วนค่ะกามาสการค่ะ แม่ชีกนก่นนะ้จรูญพันธ์ค่ะกลับมัรการค่ะโยชพองจะผลลัพธภาพค่ะคือที่ทีมงานเสียงอย่างนี้ทั้งหลายจริงๆแล้วเป็นเบื้องหลังกันทั้งนั้นวันนี้ได้มาเป็นเบื้องหน้ากันนะคะก่อนจะไป เ, เรื่องโครงการก็อยากกราบเรียนถามเรื่องประวัติอย่างคร่าวๆของพระอาจารย์นะค ะ, ป, ะปัจจุบันนี้ท่านอยู่ที่วัดไหนเจ้าคะอ่าตอนมาตอนนี้ก็ อ, อยู่วัดป่ามหาวันอํเาเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิ แต่ว่าโดยโดยโดยตำแหน่งเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสอีกวัดหนึ่งวัดป่าสุขโตใอํเาเภอแก่งคอรอจังหวัดชายภูมิทั้งสองวัดก็ห่างประมาณสัก15กิโเมตรยังไงยังไงเป็นเจ้าอาวาสที่1แล้วก็ <laughs> ไปอยู่อีกที่1เจ้าคะอ๋อคือที่วัดป่ามหาวันซึ่งอาตมาอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นวัดที่มีป่าเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีพระไปดูแลอาตมาก็เลยไปไปเป็นหลักที่นั่น ที่นั่นมีวัดมีป่าอยู่ประมาณ3000 ไ, ไร่3 0 0พไร่เป็นป่าต้นน้ำชั้นหนึ่งเอซึ่งถ้า ม, มีพระอยู่เนี่ยก็จะถูกทาลายไปเรื่อยๆพ่ะ<อ>ตมาก็เลยไปอยู่ที่นั่นแล้วก็มีพระสัก2อสรูปนี่ไปช่วยเป็นหลัก23รู ป, เ อ, ปเองรคละาวา่ะาราคคารวะนี่ก็คือชาว บ, บ้านซึ่งอยู่ห่างจากวัดประมาณสัก2 3กิโลก็จะช่วยโดยเฉพาะช่วงหน้านี้นี่เป็นหน้าที่หน้าแรง ก่อนนั้นเนี่ยจะมี<ฟ>ปัญหามากเช่นไฟป่า ค, คือถ้าไม่มีพระอยู่ไม่มีวัดตั้งก็คงจะหาคนมารวบรวมกาลังชาวบ้านที่มาช่วยดูแลป่าไม่ได้คร น, นี้ที่วัดป่าสุกโตซึ่งอาตมาเป็นเจ้าว่าเนี่ยมีพระอยู่เยอะประมาณกี่ ร, รูปเจ้าค ะ, ะเยอะที่นี่ก็เยอะตามมาตรฐานของอีสานนะประมาณสิบสรูปน ะ, ะอาจจะเทียบ ก, กับทางกรุงเทพไม่ได้แต่ในระแวกนั้นก็ถือว่าเยอะมากเพราะว่าบางวัด ก็มีพาแค่รูปสองรูปนะเีวนี้จะเป็นอย่างนั้นในชนบทที่วัดป่าสุกโตก็มีพระอยู่ประมาณ1 0ถึงส <Sure> ิบห้ารูปแล้วก็มีคารวะอีกมาปฏิบัติธรรมอีกยี่สบสามสิบแล้วที่จอนเข้ามาอีกอาทิตย์ละสี่สิบห้าสิเหเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนดูแลอยู่เยอะวัดป่าสุกโตก็มีป่าเหมือนกันนะประมาณ5้ารอยไร่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 แต่ว่าอพอช่วงเข้าภรรษาเนี่ยก็อาจจะกลับไปที่วัดป่าสุกโตปีเป็นปี่ ะ, แ ล, ะแล้วจริงๆนี่พระอาจารย์นี่บวชบวชมานานหรื อ, อยังเจ้าค ะ, ะบวชตั้งแต่ปี2526 24ี่ปีแล้วแล้วยังไงคะท่านถึงตัดสินใจที่จะเข้าเพศเนี้ยเจ้าคะอ๋อคือก่อนบวชเนี่ยอาตมาเรียกว่าเหนื่อยกับการทำงานคืออาตมาเนี่ยเป็นคนที่สนใจในเรื่องสังคม ตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนก่อนก่อน14ตุลาใช่ไหมหน่งหกแลก้วก็ก็ไปมีทำกิจกรรมทางสังคมตั้งแต่เป็นนักเรียนไปออกค่ายที่ชนบทมีไปร่วมในช่วงชมลมตุลาคมอย่างนั้นด้วยอ๋อ ช, ช่วงช่วงประท้วง14ตุลาก่อนที่เกิดเหตุการณ์สิตุลาเนี่ ย, ยก็ไปร่วมประท้วงที่ธรรมศาสตร์ มสมัญญยเป็นนักเรียนท่านท่านอยู่ธรรมศาสตร์หรือเจ้าคะตอนนั้นเป็นนักเรียนอาตมาเรียนโรงเรียนอาสัมชัญอ๋อยังเป็นนักเรียนอยู่มสส .4 ไงคือสมัยนั้นเนี่ยความตื่นตัวทางด้านสังคมการเมืองเนี่ยมันเริ่มมีในหมู่นักศึกษาแล้วก็ลงมาถึงนักเรียนอาตมาก็ตื่นตัวมาตั้งแต่ช่วงตอนนั้นแล้วใช่ค่ะแล้วก็พอพอได้เวลาเข้ามหาทยาลัยก็ไปเข้าที่ธรรมศาสตร์แต่ว่าไปอยู่ชมนุพุทธนะอาตมาจะจะอยู่จะ ความคิดเนี่ยจะไม่อาจจะต่างจากนักศึกษาธรรมศาสตร์ต่างยังไงจะช่วงนั้นเ <Phys> พราะว่านักศึกษาธรรมศาสตร์ที่ทำกิจกรรมในช่วงนั้นเขาจะเป็นแนวคิดถ้าเรียกแบบภาษาปัจจ okay. ุบันคือแนวคิดแบบซ้ายซ้ายคือเชื่อความเ <Yeah. S 2> ชื่อเรื่องแนวทางสังคมนิยมอแนวทางสังคมนิยมแล้วก็มีจีนเป็นแม่แบบแล้วก็อาจจะเชื่อได้ว่าบางครั้งการเปลี่ยนแปลงอาจจะจเป็นต้องใช้ความรุนแรงใช่ไหมคือการปฏิวัติ แต่ว่าตมาเนี่ยก็เป็นอพอเริ่มเริ่มมาสนใจพุทธศาสนาตั้งแต่ก่อน14ตุลาแล้ว16แต่ว่ามามาศรัทธ า, าจริงๆเนี่ยก็คือช่วงหลัง14ตุลา16แล้วก็คือมา17ปี17 18นี่18เข้ามาเทเลรัยก็ตอนนั้นก็เชื่อในเรื่องของแนวทางสันติวิธีและอหิงสา มีมีกลุ่มเดียวกับพระอาจารย์ไหมเจ้าคะก็มีอย่างเช่นเอ่อตอนนั้นก็มีเช่นตอนนี้เป็นคารวาลังคือพระประชาระสันธรรมโมใช่ไคุณรสสนาตัวสิตโกลซึ่งพวกเราจนจักดีตอนนั้นพวกพวกเราค่ะทัเล็กปะแอลยังยังพยายามมากพวกพวกคนอื่นยังยังเอ๋ออยู่นิดนิดแล้วก็ คุณพจนาจันทรสันติซึ่งเป็นนักเขียนเพนิ่งจะอยู่ไปอยู่เป็นกลุ่ ม, มเป็นกลุ่มเอ่อกลุ่มนักศึกษาชุมนุมพุทธนะซึ่งเราเห็นเราเห็นครอเห็นเห็นด้วยกับนักศึกษาในเรื่องของการการเปลี่ยนแปลงสังคมให้เกิดเป็นประชาธิปไตยหรือว่ามีความเป็นธรรมในสังคมแต่ว่าไม่เห็นด้วยกับวิธีการใช้ความรุนแรงเพราะฉะนั้นก็จะมาอยู่อีกอยู่ชุมนุมพุทธแล้วก็มา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 แต่ว่าอยู่ที่ชุมนุมพุทธนะแล้วก็ตอนนั้นก็ทําการอดอาหารประท้วงนะประท้วงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือจองพนธนอมเนี่ยซึ่งเป็นซึง่งทางนักศึกษาทําไมล่ะถือเป็นทรราชาศิบสี่ตุลาเนี่ยนะ <c oughs> กลับมากลับมาที่เมืองไทยในรูปสามเณรแล้วมาบวชที่วัดบวลัลนักศึกษาก็ประท้วงกันใหญ่เพื่อที่จะให้ อ, อขับไล่อืม สา ม, มนเนรหรือพิสุทธน้อมเนี่ยออกจากประเทศหรือแม่ก็ดําเนินคดีเพราะว่าอาญกรรมเข้าถือเป็นอาญากรรมตอนสิบสี่ตุลาเนี่ยมันผิดกฎหมายเนี่ยสังหารประชาชนใช่ไหมมันผิดกฎหมายก็ต้องดําเนินคดีตามกฎหมายหรือแม่ก็ต้องออกจากประเทศนักศึกษากลยประท้วง อ, อันนี้คือคือที่มาของเหตุการณ์หกตุลาซึ่งเดี๋ยวนี้อาจจะลืมกันไปแล้วค่ะคนนีน้ตมาเนี่ยอยู่ธรรมศาสตร์ตอนนั้นก็คณะคณะเจ้าคะอยู่คณะศิลปศาสตร์ ศิลปาศปสาสตร์ไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ความรุนแรงอะ ไ, <ม>ไ่เกี่ยวแต่ว่าตอนนั้นพวกเราที่ชุนนุมพูดเนี่ยเราเห็นว่า เ, ออเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวพันกัคณะสงฆ์อเพราะคณะสงฆ์เนี่ยไปไปไปไป ส, สับสนให้ให้จอมพันธอมเนี่ยกลับประเทศแล้วก็บวชให้ด้วยใช่อือก็เหมือนกมามว่าเป็นการไปรับรองความชอบธรรมความถูกต้องของจอมพันอมพวกเราที่ชุนนุมพูดก็เลย อดตหาประท้วงเพื่อขอให้คณะสงฆ์เนี่ยได้แก้ปัญหานี้อย่างอย่างอย่างโดวยวิธีของชอบพูดนะแล้วก็ตำตนหนักถึงความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นตามมาเพราะว่าถ้าเอาจำนวนถนอ n เข้ามาประเทศในภาพในคราบของในในสถานภาพของพิสษุเนี่ยก็ทำให้คนไทยจำนวนไม่น้อยเนี่ยเกิดความรู้สึกตั้งคำถามกับสถาบันสงฆ์ว่าทำไมไป ไปให้ความร่วมมือกับจอมพัถนอมซึ่งในทางกฎหมายถือว่ายังมีมนทินอยู่นะก็ทางตมาก็เลยไปร่วมประท้วงอดอดไปได้กี่วนันจังะแค่แค่สองวันเอ ง, องก็เกิดให้การ6ตุลาตุลา19นะ6ตุลา19นะก็ถูกจับนะแต่ว่าเป็นการเคลื่อนไหวคนละคนล ะ, ะคนละกลุ่มกับศูนย์นิสิต ซึ่งตอนนั้นเป็นแกนนำในการ oh. ประท้วงรัฐบาล <Okay. S 1> การนี้เนี่ยอาตมาเมื่อออกมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าคือ6ตุลานี่มั น, ม, นมีการรัฐประหารตามมาก็มีการจับกลุ่มคนจำนวนมากโดยที่ไม่พื้นศาลมีการทำมีการจับนักโัวการเมืองมากมายมีคนเป็นเป็ น, ปนต้องเรียกว่หลายพันถูกจับอาตมาก็เลยกับเพื่อนๆก็เลยทตั้งกลุ่ม ที่กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคมซึ่งมีอยู่แล้วซึ่งมีซึ่งมีอยู่แล้วนะซึ่งเขามีอยู่แล้วก่อน16ตุลาแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรจริงจังพวกเราก็เรามมาเลื้อฟื้นขึ้นมากลุ่มนี้ก็มีทั้งพุทธมีทั้งคริสคาทอลิกและโปรเตสแตนเป็นผู้นำนะเราก็มารวมกลุ่มกันเพื่ออะไรเพื่อมาเพื่อเรียกร้องให้สองกลุมไทยเนี่ยเกิดความสามัคคีเราก็พยายาม นำเอาศาสนาเนี่ยมาเป็นตัวเชื่อมประสานในการทำให้เกิดความสมานฉันในสังคมเพราะตอนนั้นเนี่ยมันมีความแตกแยกระหว่างซ้ายกับขวาซ้ายก็เข้าป่าไปจับประวุฒิส่วนขวานี่ก็อาศัยกองทัพรถถังปืนใหญ่เครื่องบินไปบุกคยี้ในป่าในชนบทมันมีแนวโน้มจะเกิดสงครามกลางเมืองตามมาแล้วเราก็เรียกคิดว่าศาสนาเนี่ยต้องเข้ามาเป็นตัวผสานทาให้เกิดสมานฉัน ซึ่งจะทำเช่นนั้นได้ต้องมีการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีและมีการเคารพสิทธิมนุษยชนกันแนตมาก็อจะทําทช่วงนี้แล้วก็คือตอนนั้นเป็นนักศึกษาปีสองธรรมศาสตร์ก็พยายามทําเรื่องการการรักษาสิทธิมนุษยชนการช่วยเหลือนักโทษการเมืองรวมทั้งการรณรงค์งงให้มีการเนิรโทศกรรมนักโทษการเมืองเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ระหว่างคนในชาติเพราะว่าคนเหล่านี้ถูกจับโดยที่เขาไม่ได้ใช้อาวุธแต่ว่าเขาไปประท้วงรัฐบาล พวกเขาเขาคิดเหมือนกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลการไปจับเขาก็ทำให้คนจำนวนหนึ่งเห็นว่าสังคมไทยไม่เปิดทางให้กับการต่อสู้ดนยสันติวิธีก็จะเข้าป่าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ทั้งนั้นที่เขาอาจจะไม่ได้เชื่อในลัทธิคอมมิวนิสต์นี่คือสภาพเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วใช้เวลานานไหมเขจะประสบความสำเร็จนะคะประมาณต้อมาเคลื่อนมา อ, อยู่สองปีนะรัฐบาลก็ยอมนีลทศกรรมปีสพอดีปีอ่ใช่ อ๋อปีสาอ๋อพระอาจารย์เริ่มตอนปีสองแล้วก็ทำมาส <2 S 1> องปีจนปีสามรัฐบาลตอนนั้นคือมีการปฏิวัติอีกครั้งหนึ่งโดยพลเอกเกียงศักดิ์รัฐบาลที่ปฏิวัติในปี 2,500 เรอยอ้หรอยยเนี่ยมีนโยบายที่จะที่จะสร้างความยอมรับในหมู่ประชาคมโลกก็จะมีการ เริ่มปล่อยนักโทษการเมืองเพราะถ้าเราไม่ปล่อยนักโทษการเมืองเนี่ยเราก็จะถูกต่างชาติมองแล้วก็ถูกกดดันนะตอนนี้ก็ก็เริ่มรัฐบาลก็ปีสอก็เลยออกกฎหมายในรโทสกรรมนักโทษการเมืองโดยพก ร, รณี6ตุลาเพราะฉะนั้นซึ่งมีคุณสุธรรมแสงประทุมเป็นผู้เป็นรองเป็นอดีตเลขาูนุสิทธิ์เวลา น, นั้น mm hmm. คือคนที่เป็น mm hmm. เป็นผู้นําในการเมืองในปัจจุบันหลายคนเนี่ย ล้วนแล้วแต่มีคดี6ตุลาเท่านั้นเช่นคุณสุธามแสงประทุมอาจจะรวมถึงคุณพินิจจันทรสมบัตินะเทรยุทธ์ ต, ทตอนนั้นตอนนั้นแกแกแกไม่มีปัญหาแล้วแกรุ่น6ตุลาแกรุ่นสิบสี่ตุลาแต่รุ่น6ตุลาเนี่ยพวกเนี่ยจะแล้วก็ผู้นําเหล่านี้เนี่ยโดนคดีหตุลาใช่ไหมคราวนี้รัฐบาลประกาศในรัช ส, ก, ส ก, กรรมคุณสุธามแสงประทุมและคณะก็เลยพ้นผิด อัตมาก็ซึ่งถูกจับในคดี6ตุลาก็ก็เลยเป็นผู้บริสุทธิ์ตอนนั้นไปอยู่กี่วันเจ้าคะโดย อ, อยู่3วัน6ตุลาถึง9ตุลา19คราวนี้อัตมาก็ทํากลุ่มภาษานงานษสารศาสตร์สังคมเรื่อยมาตั้งแต่<อ>ปี19เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีคดีละเมิดสิทธิมนุชนเยอะไม่ใช่เฉพาะกรณี6ตุลาเจ้าคะมีการจับจับคนในชนบทข้อหาคอมมิวนิสต์นะ ตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากเราก็ไปทํางานเรื่องนี้เพื่อช่วยให้บ้านเมืองเนี่ยเขามีกา ร, กรเคารพสิทธิมนุษยชนกันเปิดโอกาสให้มีการใช้สิทธิเสรีภาพซึ่งตอนตอนหลังก็ทําใหเ้เกิดคำสั่งหิดทับสอาสั่งหุบส่วนทับสองห้าสองนี่เป็นคําสั่งที่งเป็นประวัติศาสตร์เพราะว่าทําให้เปิดทางให้ คนที่ร่วมพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยกลับมาพัฒนาชาติไทยที่เราได้ยินคว่าผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเนี่ยพ mm hmm. วกนี้คือพวกที่ที่เรียกว่าอาจจะมีมีส่วนร่วมเข้าไปในในในในแวดวงกระบวนการแล้วก็ตอนหลังอพอมีคำสั่งของสุภทพสต 23, ซึ่งออกโดยโปลนิกเพรมตินัสูรานนท์ก็ทำให้ทุกคนกลับมาสู่เมืองได้โดยปกโดย โดยสันติวิธีก็เรียกว่ากระบวนการต่อสู้ทางการเมืองก็ยุติอัตมาก็ทำงานเรื่องพวกนี้อ่ะหมายถึงเรื่องการเรียกร้องสิทธิมนชนเนี่ยจนทั้งึงปี26งหกก็เลืา่านป็นเวลา7ปีตั้งแต่ปี 1.9.26 กถึงก็เหนื่อยเดี๋ยวจบพอจบแล้วก็ยังยังไปช่วยในในกลุ่มนี้ด้วยอ่าคือตอนนั้นจังหลังเริ่มเปลี่ยนเราไปทาเรื่องตอนนั้นมีปัญหาเรื่องเด็กขาดหาร คือกลุ่มภาษาศาสตร์สารประวัติศาสตร์จริงๆท่านเรียนศิลปศาสตร์แต่ไปช่วยเหมือนกับกลุ่มที่เป็นพวกของสงคราะหรเจ้าค่ะก็คืออัตมาสนใจศิลปศาสตร์คือประวัติศาสตร์เนี่ยสนใจในส่วนตัวเป็นความสนใจในส่วนตัวเพราะอัตมาชอบอ่านหนังสือเรื่องประวัติศาสตร์แต่ว่าเรามีสํานึกทางสังคมมีสํานึกทางการเมืองซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนหนุ่มสาวเนี่ยธรรมศาสตร์ โดยพระธรรมศาสตร์นะไม่ว่าจะเรียนทางด้านศิลปะวรรณคดีภา ษ, ษาอังกฤษการหรือว่าจะเรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์หรือบัญชีหลายคนจะสนใจเรื่องเกี่ยวกับสังคมการเมืองไปออกค่ายไป <c oughs> ช่วยเหลือ <c oughs> เด็กยากจนคือตอนนั้นเป็นกระแสะของของของของนักศึกษาโดยเพระธรรมศาสตร์ <c oughs> แล้วก็ไปที่มหิดลบ้างนะแต่ว่าธรรมศาสตร์นี่จะเป็นจะเป็นจะขึ้นชื่อในเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเรียนสาขาไหนไม่ไ ม, ไม่ไม่สำคัญ <c oughs> ใช่ไหมไปออกค่าย <c oughs> ไปช่วยเหลือคนลําบากเดือดร้อน <c oughs> ให้ตมาก็ทำเนี่ยต้นหลังพอเรื่องสิทธิมนุษยชนดีขึ้นแล้วตมาก็ไปทําเรื่องเด็กขาดอาหาร <c oughs> ทําไมถึงไปสนใจเด็กขาดอาหารเจ้าคะเพราะว่าคือประมาณปีช่วงปีสองศูนหนึ่งสองสองเนี่ยเมืองไทยมีปัญหามากคือความยากจน เด็กขาดาหารเนี่ยประมาณเด็กเด็ก6เด็กที่อายุต่ากับสิปีเนี่ยเป็นโรคขาดาหารลองนึกภาพว่าเมืองไทยเนี่ยเราเป็นเมืองส่งออกข้าวใช่ <Okay. S 1> ตอนนั้นเนี่ยเราส่งออกข้าวเนี่ยเป็นร่าเป็นสันแต่ว่ามีเด็กขาดาหารเนี่ยปีหนึ่งหลายล้านคน 60% ของเด็กอายุส4ขาดาหารมีเด็กตายเพราะขาดาหารระดับ3เนี่ยปีหนึ่งเนี่ย เป็นพันคนแล้วเพลินปีสองสองเนี่ยเป็นปีที่ทางสหประชาชาติประกาศ ใ, ให้เป็นปีเด็กสากลแห่งโลกโ<อ>เป็นปีเด็กสากลอ๋ออัตมาก็ทําโครงการแด่น<อ>้องผู้หิวโหยแด่น้องผู้หิวโหยเนี่ยนะชื่อนี่ชื่อเป็นชื่อโครงการของของพวกเราเจ้าค่ะไปหาเงแบบินเนีแบบ่ยไปช่วยเด็กขาดอหารในชนบทตอนนี้ก็ยังยังมีชื่ออยู่ใช่ไมใชเจ้าค่ะยังทำอยู่อ่า ตอนนั้นเนี่ยก็ไปช่วยเด็กช่วยทำศูนย์เด็กทาศูนย์เด็กหรือว่าสนับสนุนโครงการอ่านก ว, วาให้ <ng> ün, กันให้กันเด็กเงินงบประมาณนี่ได้มาจากไหนจะคะรับบริจาคจากคนทั่วไปอันนี้คือคือคื อ, คอที่เราเรียกว่า NGO ไงมันพวกเพื่อตอมาเนี่ยเริ่มทำา NGO มาตั้งแต่สมัยนั้นแล้ว <c oughs> ใช่ม <c oughs> ก็คือว่า <c oughs> ตอนตอ น, น, ตอ น, นทำลูกกับ ม, มูนิีสินเด็ก ซึ่งเกิดขึ้นมาไล่ๆกันปประมาณปีสอง2สองเราก็ทำโครงการหาทุนรับบริจาครวมทั้งทำผ้าป่าข้าวผ้าป่าข้าวคือเอาเอาข้าวแล้วกันบริจาคเนี่ยไปช่วยไปช่วยโครงการหายข้างวันในชนลำบดนะซึ่งทั่วทั่วประเทศเลยจ้ะคะมีประมาณสักเจดดจุดที่เราที่เราทาที่เราทำอ่า ที่เราดําเนินการอย่างใกล้ชิดคือเราไม่สามารถทําทั่ประเทศได้พเพราะว่ากําลังเราน้อยอ๋อมีจุดเอแล้วคัดเลือกอยังไงเจ้าคะ่ะก็และคือหนึ่งต้องมีผู้นําในในชุมชนเ mm. ช่นเป็นครูหรือเป็นพระซึ่งตรงนี้เป็นเหตุทําให้ธรรมามาม า, มาพบหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนหลวงพ่อคาเขียนเนี่ยท่านท่านเป็นพระปฏิบัติก็จริงที่ที่จังหวัดชัยภูมิแต่ว่าท่านท่านเป็นห่วงเรื่องเด็กท่านก็ทําศูนย์เด็ก เป็นแห่งแรกในจังหวัดชยภูมิศูนย์เด็กเนี่ยสมัยก่อนเป็นเรื่องแปลกก็คือเอาเด็กในหมู่บ้านเนี่ยมามาอยู่ที่วัดแล้วก็ให้อาหารกลางวันนะพ่อแม่ก็ไปไปไปไล่ไปนาใช่ไหมท่านเห็นว่าเอาเด็กเนี่ยพ่อแม่เนี่ยพาเด็กไปไล่ไปนาเนี่ยเด็กป่วยบางทีเด็กเป็นไข้ไข้เลือดออกเพราะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นป่า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 ใช่ไหมหลวงพ่อท่านก็รับเด็กเหล่านี้มาเฉพาะอาหารกลางวันแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงดูแลเด็กคือเช่นว่าให้เด็กนอนแล้วก็สอนหลวงพ่อท่านสอนสอนหนังสือให้เด็กด้วยอ้เจ้าค่ะโซนเด็กเล็กในปัจจุบันนี้มั้งคะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไร้างเนี่ยใครใครเป็นคนดูแลคะอาสาสมัครจะเข้าไปทํางานตรงนั้นนะคะอ๋อตอนนั้นหลวงพ่อท่านเป็นหลักกับแม่ชีกับพระในวัดนะ คื อ, อสมัยนั้นเนี่ยศูนย์เด็กนี่เป็นของแปลกนะไม่มีไม่มีมม<ช>ยิ่งยิ่งวัดเนี่ยยิ่งไม่ทําใช่จ้คะค่ะแล้วก็ท่านก็เป็นลูกแรกๆในจังหวัดเชยภูมิที่ทําเรื่องนี้<อ>ซึ่งเออซึ่งอาตมานเนี่ยก็เพลินไปไปได้ข่าวอตอนนั้นเป็นคารวะอยู่ทําโครงการแต่น้องผู้ยุ่งหยก็เลยไปไปช่วยสนับสนุนท่านรวมทั้งคือตอนหลังท่านขยับมาทําเรื่องสากรข้าวเพราะว่าอยู่เป็นเขาข้าวเนี่ย เอาขึ้นมาบนเขาเนี่ยคือชาวนาเขาทำไร่มนสําันลังเขาไม่ได้ปลูกข้าวก็ต้องซื้อข้าวกินข้าวมันอยู่ในเมืองอยู่ในข้างล่างไม่มีถนนสำปัหลังไปแลกข้าวเอาเงินเอาสำมาสําัลังไปไปขายแล้วก็ซื้อข้าวซื้อข้าวจากข้างล่างขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยมันมันไม่มีถนนต้องปีนขึ้นเขาเพราะนั้นเนี่ยกว่าจะมาถึงข้างบนเนี่ยมันราคาแพงเชาวบ้านก็ยากจนท่านก็เลยทําสากรข้าวคือเอาข้าว ซื้อข้ามาเยอะเยอะแล้วมาขายในราคาถูกๆให้กับชาวบ้าน <c oughs> อัตมาก็เลยเห็นว่าโครงการดีๆก็เลยทำผ้าป่าข้าว <c oughs> ปีสองสองสามเอาเอาหาหาทุนจากคนที่สนใจแล้วก็บริจาคข้าวด้วยแล้วก็เอาขึ้นไปคือมันมีทางรถจากเชียภูมิขึ้นมามาที่วัดป่ า, ามาที่แก่งมาที่เรียกว่าถ้ามาไฟหวานได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทํางเงี้ยเราเรามีโครงการหลายแบบเพื่อที่จะสนับสนุนความเรเรื่มในชุมชนที่ทําเรื่องเด็กขาดอหารหรือทําเรื่องแก้ปัญหาความยากจนและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ตมารู้จักหลวงพ่อคาเขียนเจ้าค่ะแล้วปีสองหเมื่อตอมาจะบวชก็เลยนึกถึงท่านทําไมคิดจะบวชเจ้าค่ะก็ทํางานมาเจ็ดปีเหนื่อยเหนื่อยมันเหนื่อยแบบเหนื่อยแบบล้าล้าจกนกระทั่งว่า มันล้ากายหรือล้าใจเจ้าคะเออรู้สึกว่าทั้งสองอย่างนะแต่ว่าใจนี่เป็นเป็นหลักอาการหนึ่งที่ปรากฏคือว่าความรู้สึกว่าอันที่หนึ่งนอนไม่หลับนอนยากนอนจำกายมันฟุ้งซ่านมันฟุ้งซ่านมันคิดการทํางานมีแต่เรื่องคิดเรื่องคิดเรื่องคิดแล้วก็เครียดแล้วพอถึงวันเสาร์อาทิตย์หยุดไม่ได้ความรู้สึกว่ากระสับกระส่ายเนี่ยนะมันทําให้เราต้องทำโน่นทํานี่ไม่ได้หยุด เพราะความคิดไงความคิดมันแล่นทําให้เราเนี่ยจะพักก็พักไม่ได้ะจะอยู่เฉยๆก็อยู่ไม่เป็นเพราะว่าความคิดนี่มันพาดันไปใช่ไหมก็ต้องไปถ้าไม่ไปเดินตามห้างไปดูหนังสือตามร้านก็ต้องไปหาเพื่อนไปพูดไปคุยสมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์โทรศัพท์มันยังเป็นของของหายากโทรศัพท์บ้างยังหายากน ะ, ะไม่ต้องพูดถึงโทรศัพท์มือถือเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นสมัยนี้ก็ คงต้องอยู่กับโทรศัพท์พคุยให้มันหมดเป็นให้มันหมดเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่สมัยนั้นไม่มีก็ต้องไปหาเพื่อนไปคุยคือใจนี่มันใจนี่มันบุ่นกายมันก็เลยวุ่นตามไปด้วยคือกระสับกระส่ายแล้วก็นอนก็นอนไม่หลับพักผ่อนก็ไม่ไม่พักผ่อนก็ไม่ได้เต็มที่ แลวก็เสี่ยมันคือไปทะเลาะกับคนน้นคนนี้ไปทะเลาะกับเพื่อนมีความหเหงิดําคาญใจสมัยนั้นอารมณ์อารมณ์อมของท่านเป็นยังไงเจ้าค่ะคือเดิมก็เป็นคนใจร้อนอยู่แล้วใช่ไหมพอพอจิตมันกระสับกระส่ายเนี่ยมันมีอะไรกระทบก็ ก, ก็จะหงดง่ายอแล้วก็จะจะไปทะเลาะกับคนซึ่งมางทีเขาก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีกับเราแต่ก็จะพูดไม่ถูกใจเราก็โกรธพูดง่ายคือว่าเป็นช่วงที่เริ่มเสียศูนย์อเริ่มเสียศูนย์ อาตมาคิดว่าเออเป็นพ่อเราพักผ่อนน้อยเกินไปนะก็ไปเที่ยวไปดูหนังไปชนรบทไปออกไปชนรบทไปวิธีผ่อนคลายของอของท่านตอนนั้น<ช> ม, มีมีมาร่วมวงอะไรกันไหมคะร่วมวงดื่มอะไรไม่ไม่มีคือเป็นคนที่เป็นคนที่ไม่ชอบตั้งแต่ตั้งแต่เล็กแล้วอเคยล<ช>ิ้มมันกันนะตอนเล็กๆก็ไม่ว่ามันอร่อยตรงไหนบุหรี่เหล้าก็เหมือนกันก็เคยทดลองตั้งแต่เล็กๆก็ไม่ไม่มีความรู้สึกชอบ เพราะฉันเนี่ยก็ออกไปทางดูหนังะนะดูหนังออดูแล้วมันก็สบายใจพอดูเสร็จแต่พอดูเสร็จอยากดูอีก <c oughs> นะคือมันมันเสร็จติดเล้วไงเจ้ค <c oughs> ่ะอาทิตย์ละครั้งไม่ไม่พอแล้ว <c oughs> และพออย่างที่ตามาว่าคือพอดูเสร็จมันก็อยากจะดูอีกแล้วนะคือมันจิตนี่มันมันจะเกิดอาการเสร็จติดขึ้นมา <c oughs> ไปเที่ยวไปเที่ยวไป ไปสุโไทยไปเชียงใหม่ไปเกาะก็สบายแต่พอกลับมาเหนื่อยเหนื่อยการเดินทางแล้วก็เครียดแล้วก็กลับกลับสู่วัฏจักรเดิมๆะะก็เลยรู้สึกว่าไอ้นี่คงไม่ใช่คำตอบอ๋อเริ่มตอนนั้นเริ่มเห็นแล้วเอ๊ะเที่ยวไปตั้งเยอะดูหนังไปตั้งเยอะเอ๊ะทำไมมันยังมันยังไม่หายทุกสักที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 สงสยัยเลาต้องพักใจแล้วก็เลยแล้วพักใจยังไงอ่ะพักใจก็ต้องทำสมาธิตอนนั้นเนี่ยอย่างที่ว่าเคยอัตมาสนใจเรื่องนี้มาในทางความคิดเนี่ยสนใจมานานเพราะว่าอยู่ชุมนุมพุทธสนใจเรื่องงานเขียนพระเจย์ท่านพุทธทาส อ, อ๋อตอนตอนนั้นคือเริ่มอ่านเริ่มอ่านของท่านพุทธทาสก็เริ่มอ่านแล้วแล้วก็แล้วใครใครคที่เป็นคนสอนฝึก ปฏิบัติมีที่ที่ท่านบอกว่ามีนั่งสมาธิทําเองบ้านแล้วก็ไปตามสํานักเช่นไปสํานักท่พระโพธิสัตว์ของพระอาจารย์คาตันตอนนี้ท่านเกษียไปแล้วนะเจค่ะท่านพระโพธิสัตว์ก็ไปฝึกที่นั่นแต่ท่านพิจารณาอย่างไงเจ้าคะก็ตามลมหายใจเจ้าค่ะแต่ทรมานมากเลยทำไมคะเจ้าค่ะเพราะว่าใจมันอยู่นิ่งไม่ได้ S <S ค, นคนในเมืองเนี่ยมาอยู่ใ น, อ ย, ในอยู่ในวัดป่าเนี่ยมันกระสับกระสายไม่มีหนังสือพิมพ์ดูไม่มีโทรทัศน์ไม่มีหนังสือพิมพ์ไม่มีโทรทัศน์ ด, ดูเจ็ตมันก็ยังคิดบุ่นมันอยู่กับตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอให้ปฏิบัติอยู่ในห้องมันก็จะอยู่ไม่ได้เพราะจิตมันมันวิ่ ง, งมันวุ่นตลอดเวลาเจ้าค่ะอันนี้ก็คือที่เราว่ามันทําให้เกิดความกระสับกระ ส, ระสาย ยิ่งนั่งไปแทนที่จะสงบยิ่งเป็นมากขึ้นใช่นะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีวินัย น, น ะ, ะมีความเพียรมีศรัทธาที่มั่นคงเนี่ยอยู่กับมันนานๆเนี่ยสักสีห้าวันเนี่ยก็จะเริ่มเข้าทีแต่ตมาเนี่ยไม่มีวินัยพอเพราะเป็นคารวานนะไงใช่ไหมมันก็หาเรื่องหาเรื่องหาข้อแก้ตัวกลับบ้านก่อนเวล า, ามั่งทำรุ่นทำ น, น, ทำนีบ้างอเอาหนังสือมาอ่านบ้างค่ะ ก็เลยคิดว่าจะต้องเล่นงานกับตัวเองให้ให้จริงจังก็ต้องมีวินยัยก็เลยคิดว่าต้องบวชแล้วมั้งเพราะการบวชจะทําให้เรามีวินัยที่ที่ที่จริงจังแล้วก็เป็นการสร้างเงื่อนไขผูกมัดตัวเองก็เลยนี่คือที่มาของการบวชแล้วตอนนั้นคิดจะบวชแบบจะบวชนานแค่ไหนเจ้าคะก็คิดว่าบวชแค่สามเดือนก็เต็มทีแล้วส่วนใหญ่ที่เห็นเ น, นะเจ้าคะ่ะสามเดือนแทบทุกออกทุก <c oughs> <ม>รูปมาเจ้าคะ่ะ แล้วเสร็จแล้วก็ยาอือคือสามเดือนก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะะเพราะว่านั่งสมาธิแค่สามวันยังยังหาเรื่องยังหาเรื่องหนีเลยใช่ไหมแล้วตอนนั้นรู้หรือเปล่าคะว่าแนวการสอนของพ่อคําเขียนต่างจากที่หลวงพ่อคำตันมก่อนเอ่าก็ตอนนั้นยังยังยังไม่ชัดเจนแต่รู้ว่ารูวงพ่อเขียนเนี่ยท่านเป็นเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อหลวงพ่เทียนค่ะ อ, อ่านหนังสือของหลวงพ่อเทียนอยู่บ้างจากเอกสารของกลุ่มศึกษาหรือปฏิบัติธรรมซึ่งกับสมาชิกก็พอจะรู้ว่าต่างกันแต่ว่าก็คิดว่าอยากจะลองดูเหมือนกันเพราะว่าธรรมทอนาปาเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยดีมันมันมันเครียดก็เลยคิดว่าลองมาลองมาใช้วิธีของหลวงพ่อเทียนดูหลวงพ่อเทียนนี้ลักษณะเป็นยังไงเจ้าค่ะ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 อันนั้นเป็นเครื่องหมายว่าความรู้สึกตัวมันไม่มีแล้ว <I mean> แต่เมื่อะด็ตามที่จิตมันรู้จิตระลึกขึ้นมาได้ว่าเผลอคิดไปอันนั้นแหละสติก็จะทำงานดึงจิต ก, กลับมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวของกายเช่นสร้างจังหวะและก็การเดินจงกลมโดยไม่ได้ปิดตาอันนี้คือ <I mean> วิธีการซึ่งอาตมากว่าจะเข้าใจวิธีนี้ก็ใช้เวลานานนะนานขนาดไหนเจ้าค่ะก็สามอาทิตย์ คือทำผิดไงถามผิดทำผิดไงเพราะแรกๆนี่รู้สึกยังไงค่ะคือทำไมไปเพ่งไปเพ่งเวลายกมือเนี่ยก็ไปเพ่งที่มือเวลาเดินตรงกรมก็เพ่งที่เท้าอเวลาคิดก็ห้ามความคิดอืเพราะมันกําลังจะคิดออกก็แบบเบรคมันเลยเกือเลยนะมันมันหายบุบไปเลยเจ้าค่ะแล้วแล้วก็ทําอยู่บ่อยๆทงอยู่บ่อยซึ่งความคิดมันก็ฉลาด เรารู้ว่าเราเราคอยดูเรารู้ว่ามันจะมาคิดเรื่องนี้ก็คอยคอยท่าเพ่งดูเข้าดูความคิดไปแล้วว่ามันจะมาไม้นี้หรือเปล่ามันก็ไปออกคิดเรื่องอื่นเช่นเราดูว่ามันจะชอบคิดเรื่องไปเที่ยวพอมันคิดเรื่องไปเที่ยวมืไหร่แล้วก็เบรกมานททีมันก็เผ้อคิดเรื่องธรรมะนะยังคิดว่าตัวเองคิดเป็นกุศลคิดลรื่องธรรมะวิเคราะห์ธรรมะเรื่องอนะเรื่องเรื่องไตรลักษณ์เรื่องปฏิจจ พอเรารู้ว่าเผลอคิดไปเออมันจะมันจะคอยเพ่งเรื่องวิเคราะห์ธรรมะเราคอยเฝ้าดูมันไม่ให้มันออกมาทางนี้มันก็ไปคิดเรื่องว่าเออเราจะจะพาคนมาปฏิบัติทําได้ยังไงคิดหาโครงการพาคนมาปฏิบัติธรรมนัดโปรเจกต์นัดโปรเจกต์อ่ามันมาอย่างเงี้ยแล้วก็เผลอคิดเก้อเผลอคิดกับมันไป<ค>พอเรารู้เราก็ไปเบรคมันแล้วก็คอยตั้งท่าดูมั น, นใช่ไหมนี่คือใช่คือวิธีแบบนี้เนี่ยทำไปทำมาเนี่ยมันเครียด มันเครือบจนกระทั่งว่าไอความคิดเนี่ยมันหลบในอาตมาใช้คำว่าหลบในคือมันไม่มันหายไปเลยมันหายไปเลยมันไม่ออกมาไปตามค้นมันก็ไม่ออกมาแปลกมากแต่มันหนักค่ะความคิดไม่ออกมาแต่แทนที่จะเบานะมันหนักแล้วพอพอเป็นไปได้สักวันสองวันเนี่ยคือมันออกมาเหมือนกันนะแต่มันออกมาแบบกระปิกระปลอยมาก แล้วมันหนักออพอาะจิตเราเพ่งไงจิตมันเพ่งมันก็หลบไงแต่ว่าพอพอนอนเนี่ยอุ่นอ่อนมาพลั้งพลูใหญ่เลยพอจะนอนนี่มันพลั่งพลูออกมาจกนกระทั่งนอนไม่หลับออืแล้วนอนไม่หลับแล้วปวดแขนปวดขาโอ้ไกลใช่ปวดแขนปวดขาปวดแขนจนยกมือไม่ค่ยขึ้นปวดขาจนเดินตรโก้ไม่ค่อยไหวโอ้ขนาด น, นั้นเลยอพอแม้กระทั่งว่าแล้วจิตมันเพ่งนะจกนกระทั่งว่าแค่ยกมือนเนี่ยครั้งสองครั้งแล้วนะ มันเครียดทันทีเลยเจดมันเกรงมากมันเพ่งแล้วซึ่งทำให้ตมาปฏิบัติไม่ได้เพราะมันมันมันทุกข์มากแต่แล้วแล้วใครใครแกล้ بر, พระพระอาจารย์พระอาจารย์แก้าายังไงเจ้าคะคือก็ต้องแก้ตัวเองเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านพูดเราก็ไม่เข้าใจเราก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเราไปไปไปใช้วิธีแบบเดิมๆที่เราเคยทามาคือทำอะไรมันต้องเพ่งทาอะไรต้องฝืน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 คือที่ถามว่าจะทําเต็มที่เนี่ยให้ได้ครบเดือนถ้าไม่ได้ผลก็จะไปที่อื่นอาจจะไปส่วนโมกตอนนั้นสามอาทิตย์เนี่ยก็ก็รอค่าเวลาอาทิตย์หนึ่งระหว่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีความสนมันไม่มีความอยากไม่มีความกระตือหรือนโลดใจมันปล่อยว่าก็รอปล่อยค่าเวลาแล้วก็แต่ก็พยายามทําน่นทํานี่ไปนะเช่นว่าก็พยายามนอนพยายามพักผ่อนคลายจิต เช่นนั่งคลึงนิ้วไป ใ, ใครสอนศาสตร์นี้เจ้าคะครึ ง, รงนิ้วครูบาอาจารย์นั่นก็บอกว่าเออถ้าอยู่บ้างว่าคลึงนิ้วบ้างกระดิกนิ้วบ้างท่านสองก็เทียนท่านสองว่าถ้าเกิดไปนั่งรถเมย์ไปไหนเนี่ยเออหรือว่าทำอะไรก็าตามเนี่ยก็ถ้าเราจะยกเนี่ยมันจะเป็นผิดปกติ เ, ออเราก็ใช้คลึงนิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ย พอออกจากวัดเราไปไหนมาไหนถ้าสังเกตเห็นลูกศิษย์ก็จะเหมือนกับไม่อยู่นิ่งจะคลึงนี้มากหรือบางทีถ้าไม่คลึงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นทำอย่างอื่นแต่ว่าลักษณะก็คือให้มีการรู้ทีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพื่อเป็นการเจริญสติตลอดวัน24ชั่วโมงแต่ตอนนั้นตอนที่ทำเนี่ยก็ทำแบบเรียกว่าไม่ได้หวังอะไรคือทาแค่รีแลกซ์แล้วก็คอยให้เวลาผ่านไป เพราะว่าความเครียดมันคลายลงแล้วก็ทำให้เริ่มรู้สึกดีขึ้นเริ่มรู้สึกดีขึ้นเราก็เลยลองปฏิบัติใหม่ปฏิบัติโดยพยายามที่อะไม่ให้จิตมันเพ่งไม่ให้จิตมันไปเกาะหรือไปไปคอยห้ามความคิดตอนนี้แหละมันมันต้องใช้วิธีการแงจิตออกมาเพราะจิตมันเพ่งมากมันมันมันมันเพ่งจนมัน มันแงยไม่ง่ายเลยขาที่แง่ง่ายเราต้องเพิ่งเราต้องเอาจิตออกนอกต้องหาทางไปกำหนดจิตไปที่ข้างนอกตอนนั้นกำหนดไปที่ไหนจ้ะคะไปที่ประตูเวลาเดินจงกรมใช่ไหมเดินจงกรมล้วก็ไปกำหนดจิตที่ป้ายป้ายที่ประตูห้องน้ำซึ่งอยู่สุดทางจงกลมเพื่อดึงจิตออกจากการเพ่งเข้าในคให้มันสมดุลกันก็ทาไปมันค่อยค่อยคลายค่อยคลายค่อยคลาย ที่มันเคยประกบแน่นเนี่ยเราค่อยๆแงออกมาค่อยแงออกม า, ออก ม, ามันค่อยดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็พอทาไปสักสี่หวันแรู้สึกว่ามันก็แปลคือมันเราได้ได้รู้ทันความคิดมากขึ้นเห็นความคิดแล้วเรารู้ซึ่งก็แปลกใจว่ามันรู้ได้ไงในเมื่อไม่ได้ตั้งใจจะให้มันรู้มันก็รู้ขึ้นมาเอง ความคิดที่มันเคยยาวมันก็สั้นลงสั้นลงก็กลายเป็นเพลินกลายเป็นสนุกใช่ไหมก็แปลว่าทําไมเราเดินไปเดินไม่เราไม่ได้ตั้งใจใค่ะแต่ว่ามันรู้เองมันรู้เองอตรงนี้แสดงว่าก็พูดง่ายคือส ต, สติสติมันเริ่มเป็นนิสัยของจิดแล้ว ม, มันก็ทําไปเองมันเป็นนิสัยที่ที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้ได้ได้พย า, ยามทําซึ่งผิดมากกวถูก แต่ส่วนที่ถูกเนี่ยมันก็ทําให้จิตเนี่ยทำให้สติเนี่ยเริ่มมีความรู้ตัวตื่นรู้มากขึ้นก็กลายเป็นว่าไอ้ที่คิดจะไปครบเดือนแล้วจะไปสวนโมกก็เลยเลิกก็เลยคิดว่าเราคงมาถูกทางแล้วมั้งก็เลยปฏิบัติแต่ปฏิบัติ ด, ด้วยความโดยความที่เรียด้วยความเพลินมากขึ้นด้วยความศรัทธาว่าโอ้พระตจ้านี่ท่านพบสติได้ยังไงสตินี่มันมีพลานุภาพมาก ซึ่งคนธรรมดาคงยังไม่มีทางพบอนุภาพของสติแบบนี้ถ้าไม่ได้ปฏิบัติแล้วนี่คือสิ่งแปลกเพราะว่ามันมันอยู่เหนือการคิดมันอยู่เหนือการอยู่เหนือประสบการณ์ส่วนประสบการณ์ประจำวันที่เราเคยพบก็เลยก็เลยปฏิบัติแบบนี้จนครบสามเดือนค่ะพอหลังจากนั้นก็ได้เวลาศึกเตรียมจะศึกแล้วสองสามวันมันเดือนเป็นเดือนพฤษภาพอ คิดถึงวันที่จะสึกมันอะไรอะไรรู้สึกว่าว่าต้องทิ้งชีวิตพระไปก็รู้สึกว่ายังยังยังทําใจไม่ได้เออก็เลยคิดว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนคือที่สึกไปจะสึกไปเนี่ยเพื่อว่าเพื่อนจะไปช่วยเพื่อนเพราะว่าเพื่อนก็ทํางานหนักต้องรับภาระแทนเราก็เกรงใจเขาอ๋อคืองานงานก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่ฮะใช่ ก็เลยแต่พื้นก็บอกว่าก็ถ้าอยากบวชต่อก็ไม่เป็นไรคงคงกลัวว่าถ้ากลับไปทํางานเราจะไปอารวาสใหม่ก็เลยจะบวชก็บวชต่อก็เลยคิดว่าเออเราก็บวชให้ได้ให้ได้พรรษาดีไหมพฤษภาใช่ไหมก็บวชต่ออีก2เดือนก็เข้าพรรษาเข้าพรรษาก็ออกพรรษาแล้วค่อยว่ากันอีกทีเพราะฉะนั้นก็เลยขยายจากสเดือนก็เป็นเป็นแเดือน <laughs> ใช่ไหมฮะกะว่าออกพรรษาค่อยไหว้ทีและตอนเข้าบรรษานี่ก็เลยไปอยู่กับหลวงพ่อคำเขียนที่จริงจะไปอยู่กับหลวงพ่อเขียนตั้งแต่บวชใหม่ๆแล้วหลวงพ่อคำเขียนต้องบอกว่าสุกโตมันลําบากกันดารให้มาอยู่กับหลวงพ่อเทียนที่วัดสนามในดีกว่า <c oughs> มีครูบาอาจารย์การเป็นอยู่การขบฉันก็สะดวกก็เลยมาอยู่ที่วัดสนามในกับหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนนี้ก็มา ามาเดือนละครั้งม า, มาเดือละครัร้งมามาม า, มาให้กำลังใจแล้วก็มาชี้แนวการปฏิบัติที่อยู่หนุ่มพ่อเทียนนั่นก็ก็มามาให้อารมณ์อยู่สม่ำเสมอเนะเพราะฉะนั้นก็เลยพอพออยู่วัาสนามหนได้สักพักตั้งแต่มีนาจนถึงกรกฎาก็เครียดพอสมควรแล้วอยากจะไปออกปวีวิเวกในป่าก็เลยไปวัดป่าสุกโต ไปเข้าพรรษาที่นั่นแล้วก็เลยไปอยู่บนเขาลุงนั้นสืบสมายาสิบคื <Yeah. S 3> อพอครบพอครบพรรษาใช่ไหมฮ <c oughs> ะก็คิดว่าเอ้างั้นเราบวชได้ครบปีก่อน <c oughs> ดูซิ <c oughs> ว่าจะเป็นยังไง <c oughs> แปแล้วนะสามแปแล้วก็สิบสองพครบปีแล้วเราก็บอกว่าเอาบวชต่อย <c oughs> ปีหนึ่ง <c oughs> แต่ในใจตอนนั้นเนี่ยคิดไม่คิดไม่ออกนะว่าเราจะบวชได้สิบปีได้ยังไงแค่ห้าปีนี่ก็นานเกินพอแล้วเจ้าค่ะ ไม่กล้าคิดนะว่าคือไม่กล้าคิดว่าเราจะบวชได้นานแล้วคิดว่าคงลําบาก <มา S 2> สภาวะสภาวะณนะตอนนั้นนะคะท่านพิจารณาทางโลกกับทางธรรมแล้วเห็นคุณและโทษยังไงอ๋อเจิงหนึ่งที่ทําใหนตะมาบวชพระได้ก็คือการเห็นว่าชีวิตทางโลกนี่มันทุกข์มากกว่าการที่จะมีชีวิทางโลกเนี่ยให้สูงเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ยากมาก แล้วก็ยังยังเดแสบยเหตลาวกับชีวิตทั้งโลกอยู่ไอความช่วงวิกฤตชีวิตที่มันเสียศูนย์ก่อนโบดเนี่ยก็ยังยังประทับนั่นในใจแล้วก็ยังไม่แน่ใจเลย ว, ว่าถ้าศึกไปแล้วเนี่ยเราจะกลับไปสู่วพราถ้าจักเติมเติมหรือเปล่าคือชีวิตที่มันเครียดหาความสุขไม่ได้กระสับกระส่ายทะเลาะกับบ่แวงกับผู้คนแล้ว ก, กลัวกับชีวิตแบบนี้ ก็เลยคิดว่ า, าบวชต่อไปเรื่อยๆน่าจะดีกว่าเวลาเวลาคิดจะศึกไปก็นึกถึงชีวิตคารวะาของตัวเองด้วยแล้วของคนอื่นด้วยก็รู้สึกว่าเป็นการยากที่เราจะมีความสุขในเพศคารวะถึงแม้เราเพราะเราพอเราเป็นคารวะแล้วก็คงต้องมีครอบครัว มีครอบครัวแล้วก็ใช่ว่าจะมีความสุขเพราะว่าเห็นชีวิตครอบครัวของหลายๆคนในเรื่องของโยมพ่อโยมแม่ของเพื่อนก็รู้สึกว่ามันยากแล้วก็ความคิดเช่นนี้ก็เลยทําให้ลังเลใจเวลานึกจะสึกขึ้นมาเนี่ยพอคิดถึงชีวิตคารวแบบนี้แล้วเนี่ยก็เลยรู้สึกโอย้ยากนะการที่ เราเชื่อวการที่เป็นเป็นพระนี่เแม้มันจะแม้จะทุกข์อยู่บ้างแต่คงจะทุกข์น้อยกว่าชีวิตคารวะความคิดแบบนี้เนี่ยก็ก็ก็คอยย้ำเตือนทําให้ความตั้งใจที่จะศึกเนี่ยไม่ค่อยรุนแรงมันไม่เคยมีความคิดเหมือนกันแต่มันไม่ไม่ไม่ถึงกับเป็นความตั้งใจเป็นแค่ความคิดที่แว บ, บผ่านมาแล้วก็ ก, ก็ก็ไม่ได้จริงจังอะไร แต่ถามว่าจะบวชต่อไปได้นานๆไหมก็ก็ไม่กล้าแล้วไม่เชื่อมันใช่ไหมแล้วเรายมพ่อโยมแม่ของพระอาจารย์เจ้าคะท่านสนับสนุนให้บวชหรือว่าให้ออกมาทํางานเถอะทีททแรกๆท่านก็สนับสนุนให้บวชนะพอท่าน mm hmm. กลัวว่าถ้าศึกมาแล้วเนี่ยจะไปทํากิจกรรมทางสังคมซึ่งมันเสียงคุกเสียงตารางคือ <c oughs> เราต้องการให้บ้านเมืองเนี่ยมันอยู่บนฐานของหลักนิติธรรม พอถ้าบ้านเมืองเนี่ยมีการเคารพสิทธิทมนุยชนมีการเคารพหลักนิติธรรมแล้วเนี่ยความรุนแรงมันเกิดขึ้นได้ยากใช่ไหมบ้านเมืองเราก็จะหลีกเลี่ยงจากความรุนแรงจากสงครามกลางเมืองได้คือต้อ ม, มาชื่อเรื่องสันติวิธีและเชื่อว่าสันติวิธีเกิดขึ้นได้ต้องต้องเกิดจากการที่เราสร้างพื้นฐานทางด้านสิทธิทมนุษยชนประชาธิปไตยและความเป็นธรรมเอาไว้ ก็เลยให้บวชดีกว่าบวชเออบวชแล้วเนี่ยจะได้จะได้ไกลคู่ไกลตารางใช่ไหมใช่ค่ะอย่าน้อยธรมะเคยติดคุกมาทีแล้วสาวันนะช่วงตุลาค่ะก็พอบวบไปนานๆท่านก็เริ่มเริ่มเริ่มคิดถึงแล้วว่าแล้วเราจะอยู่ยังไงคือมีพี่น้องพี่น้องมีมีพี่อยู่สามมีน้องอยู่หนึ่งแต่เสียไปก่อนที่ธรรมาจะบวชแล้วธรรมาก็เป็นคนสุดท้องตอนนั้น คือทางที่บ้านก็ห่วงว่าคือท่านคงมองว่าอัตมาเนี่ยคงจะบวชได้ไม่นานอาจจะบวชสิปี15ปีถึงตอนนั้นเสึกอออกมาก็จะตามเขาไม่ทันใช่ไหมนี่คือความห่วงของพ่อแม่ <c oughs> คือกลักลัวลูกจะตามไม่ทันมาศึกมาแล้วก็ต้องมาเริ่มต้นจากศ <c oughs> ูนย์ใหม่ <c oughs> ใช่ไหมก็เลยคิดว่าไม่อยากให้บวชนานที่จริงแมก้กระทั่งอุปชาตของอัตมาเนี่ยซึ่งอยู่วัดอยู่เป็น เป็นเจ้าว่านอยู่ที่วัดทองนภคุณประเทพสุทธีเนี่ยอาตมาไปหาท่านไปกราบท่านอยู่บ่อยๆเวลาเข้ามากรุงเทพท่านก็จะเท้าเมื่ อ, อไหร่จะสืบนะคือท่านก็เป็นห่วงแบบแบบผู้ใหญ่ไงคือท่านก็รู้ว่าคนหนุ่มอย่างเรานเนี่ยคงบวชคงบวชไม่ได้นาน <c oughs> แล้วถ้าบวชไม่ได้นานแล้วสึกออกมาเนี่ยมันจะตามไม่ทันเขา <c oughs> ใช่ไหมก็ <c oughs> คิดว่าถ้าไม่คิดบวชนานเนี่ย สึกออกมาเร็วโดยจะดีกว่านี่ความคิดของผู้ใหญ่แม้กทั่งพระท่านก็คิดแบบนี้อืใช่ไม่มเพราะในคนณท่ า, ทากนกงเห็น<ๆ>ประสบการณ์ว่าหลายคนที่บวช น, นาแล้วเนี่ยเสร็จแล้วพอสึกออกมาเนี่ยไม่มีความสามารถที่จะ ห, หรือไม่สามารถที่จะตามทันเขาได้ค่ะ ม, มันมาเป็นลูกน้องเขาคนไเด็ ก, เ ด, กเด็กกว่าไปเป็นหัวหน้างานซ ะ, ะแล้วแล้วพระอาจารย์คิดยังไงเจ้าค่ะพื่อรรมมาไม่ค่อยเป็นห่วงเพราะธรรมา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 แล้วก็เป็นคนที่จบหมหาวิทยาลายลนี่ยังไงมันก็ต้องมีโอกาสได้เปรียบกับคนทั่วไปซึ่งเขาจบป .4 ป .6 เป็นส่วนใหญ่คใช่ไหมช่วงสนทนาธรรมเจตุนโพในวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะ ขอเชิญติดตามรับฟังบทสัมภาษณ์พระอาจารย์ภยัยศาลวิสาโลได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะช่วงข้อคิดสกิดใจ เชียกผูมลิงใจคุณเราเหมือนปราโล่ใจคุณเราเหมือนลิงเหมือนลิงที่มันดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาดึงเอาไว้อยู่เป็นที่เดี๋ยวมันก็ไปอีกดึงเอาไว้เดี๋ยวมันก็กลับไปอีกเราต้องพยายามดึงรัง พยายามควบคุมใจเราบ่อยๆถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่หยุดมันก็เที่ยวคิดไปตามอารมณ์ตัวเองนึกอะไรมันก็ไปอันนั้นแหละมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องผูกเราต้องมีเครื่องผูกใจคือภาวนาภาวนาเป็นเครื่องผูกใจนั่นเอง ภาวนาทำให้เกิดสติสติเป็นหลักสมาธิทำให้จิตนิ่งเฉยได้ไม่ลุกรื้ลุกลนไม่ปรุงแต่งอะไรมากก็ไม่ต่างอะไรกับเราเอาเชือกไปผูกติดกับหลักแล้วก็มาผูกติดกับลิงลิงมันจะดิ้นรนไปแค่ไหนก็อยู่ในขอบเขตของมันคือเชือกติดถ้ามันดิน้นไปมากๆ มันก็ย้อนกลับมาที่เดิมลิงก็รู้จักหยุดเหมือนกันในเมื่อเชือกมันตึงเชือกมันรัดตัวมันใจ เ, เราก็เหมือนกันเราก็คอยภาวนาโดยใจ เ, าเรา เหมือนดูลิงนั่นเองแต่เราจะทำเป็นิงไม่ได้ถ้าทำเป็นลิงคือสร้างความคิดนึกไปด้วยภาวนาแล้วเหนื่อยมากใจไม่หยุดไม่หย่อนลงเราก็ต้องควบคุมอยู่ที่หลักคือสติสมาธิเกาะนิ่ไงไว้ที่กายกับใจมันก็สมบุจนได้ไปไหน มันก็กลับมาไปไหนๆนเดี๋ยวมันก็กลับมาเรารู้เท่าทันความคิดแล้วมันก็กลับมาอยู่ที่เดิมมันก็สอบได้ในใจเราคติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนอมกะตะตุนโยจากหนังสือ จิตเป็นหนึ่งรายการธรรมะจัดสรร